บทที่สิบห้ากลาบดอกนั้นหลังจากการไปครั้งนั้นแล้วเมื่อมีเวลาว่างอโศกและศิครินรวมทั้งสาสวัตได้แวะเวียนไปเที่ยวบ้านป่านั้นอีกเสมอความสนิทคุ้นเคยระหว่างหญิงสองชายสาม ได้เริ่มทวีขึ้นตามวันเวลาที่ล่วงไปอโศกคอยจับดูกิริยาอาการและทัศนนิยมของชาลินีและชะโลทาราอยู่ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะชะโลทาราผู้เสงเงีน่เจียมตัวมีดวงหน้าและแววตาฉายเอาความเศร้าซึมออกมาให้เห็นอยู่เสมอเธอมีรื้วรอยแห่งความวิตกกังวลและความหมดหมองอยู่ไม่ใช่น้อย แต่ก็มีบางครั้งที่เธอมีอาการร่าเริงแจ่มใสถึงจะเป็นความแจ่มใสที่เจือไปด้วยความเศร้าก็ยังมองดูเป็นความงามที่หาดูไม่ได้ง่ายเลยเสมือนความแจ่มใสของอากาศขณะพิรุณหลังเพียงเบาบางมีแสงแดดสาดทับเม็ดฝนให้มองดูประหนึ่งเกล็ดเพชรหล่นจากเวหาการพบกับชโลทาราเป็นการแอบพบรอบพบ เพื่อไม่ให้บิดาของเธอเห็นบิดาของชโลทาลาห่วงลูกสาวมากเขาไม่ต้องการให้เธอติดต่อเกี่ยวข้องกับใครโดยเฉพาะหนุ่มชาวเมืองเป็นบุคคลประเภทบิดาของเธอชงังเขามีเบื้องหลังเบื้องหลังซึ่งทําให้เขาชังชาวเมืองโดยมิอาจลืมได้ข้อนี้เป็นสาเหตุสําคัญที่ให้เขาตั้งหลักฐานอยู่ในป่า และตั้งใจว่าจะถือเอาป่านี้เป็นเรือนตายเมื่อถูกกักถูกกดถูกบังคับคนเราก็มักดิ้นรนแสวงหาช่องทางเพื่อให้ได้รับกลิ่นอายแห่งเสรีภาพแม้จะได้รับเพียงน้อยนิดก็เป็นความภาคภูมิใจและกระใดาที่ได้มาซึ่งเสรีภาพแบบนั้นคราวนั้นเขาจะดื่มด่ำกับมันอย่างสุดเวียงเด็กที่ถูกบังคับมากเมื่ออยู่ในบ้าน จึงมักจะปล่อยตนตามที่เมื่ออยู่ห่างตาผู้ปกครองเขาอยากทำจะทำอะไรไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่อาจทำได้ในขณะอยู่บ้านเป็นกฎของการชดเชยทางอารมณ์ซึ่งถูกกดทับอยู่เป็นเวลา น, านานอารมณ์ซึ่งมักจะ ก, กระเจิดกระเจิงไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยโดยเฉพาะอารมณ์ของเด็กนมเด็กสาวซึ่งมีแต่ความฝัน ฝันถึงโลกอันตนไม่เคยเย็บย่างเข้าไปเด็กวัยรุ่น 18-19 นั้นจะมีคนใดที่ยอมรับว่าตนยังเด็กอยู่เขาเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถเข้าใจชีวิตและโลกแต่เมื่อเขามีอายุถึง30หรือย้อน30ปีเพียงเล็กน้อยเมื่อหวนมาดูชีวิตในขณะอายุ 18-19 เเขาจึงรู้สึกว่าขณะนั้นเขายังยาวต่อโลก และต่อชีวิตขณะที่จะให้เด็กวัยนี้ภาคภูมิใจรู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวก็มีอยู่คือผู้ปกครองหรือมารดาบิดาพยายามพูดเสมอว่าลูกรักเวลานี้ลูกก็เป็นผู้ใหญ่แล้วจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องระวังอย่าให้มีความเสื่อมเสียเกิดขึ้น จะไม่มีใครให้อภัยลูกเหมือนเมื่อลูกยังเป็นเด็กอยู่ความกระหายของเด็กวัยนี้คืออยากเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ได้หยิบยื่นสิ่งที่เขาต้องการนักหนาให้แล้วเขาจะต้องการอะไรอีกในทางตรงกันข้ามจะได้รับผลอย่างเกินคาดหมายคือเขาจะรักเกียรติยศรักคุณงามความดีรักคนที่ให้เกียรติเขา และผลพลอยได้สำหรับผู้ปกครองก็คือเด็กจะกลับรู้สึกว่าตนยังเป็นเด็กอยู่มีอะไรเกิดขึ้นก็นำมาปรึกษาผู้ปกครองถ้ายิ่งผู้ปกครองเขาอย่างเด็กเล็กมากเท่าใดเด็กพยายามจะรู้สึกว่าตนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นในรูปรอยแห่งความสงเงยมเจียมตัวในอาการที่แสดงออกภายนอกว่า ดูเหมือนจะไม่ต้องการอะไรนั่นเองชโลทรามีความปรารถนาอันลุกโปรงอยู่เสมอที่จะสแสวงหาอิสรภาพให้แก่ตนแต่มาในลักษณะแห่งการปิดบังซ่อนเร้นด้วยอาการอย่างนี้เมื่อทราบว่ามีทางใดที่พอจะระบายอารมณ์อันถูกกดทับได้เธอก็อยากจะทำความจริงมนุษย์ก็ไม่อยากจะทำอะไรอะไรมากนักดอก แต่เมื่อถูกบังคับก็เกิดอยากจะทาขึ้นมาอยากจะไปในที่ที่เขาห้ามิมให้ไปอยากจะเห็นในสิ่งที่ปิดบางซ่อนเร้นอยากจะรู้ในสิ่งที่เป็นความลับบางทีผู้ใหญ่ก็ใช้อารมณ์ชอบและชังส่วนตัวมาบังคับปิดผันจิตใจของเด็กให้หมุนไปด้วยทั้งทั้งที่ไม่ได้พิจารณาให้ท่องแท้ว่าสิ่งนั้นเหมาะสมแก่เด็กเพียงใด หรือเหมาะสมกับตนเพียงคนเดียวเท่านั้นมีบ่อยครั้งที่ชะโลทารู้สึกอยากออกไปในโลกว้างอยากร่อนทลาเหมือนนกทั้งหลายที่มีอิสระแก่ตนอยากไปให้พ้นจากป่านี้แต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันที่เธอรู้สึกพอใจในภาวะที่เธอเป็นอยู่เป็นความสุขเงียบเงียบเธออยู่มาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาว ความเคยชินก็มีมากอยู่แต่ความอยากรู้อะไรอะไรให้มากขึ้นกว่าที่เคยรู้อยู่แล้วและคอยเร่งร้าวอยู่เสมอเช่นกันเธอได้ชาลินีเป็นเพื่อนแก้เหงาเป็นเพื่อนที่ถูกใจพูดจาสนุกเปิดเผยมีความรอบรู้แหลมหลักชาลินีไม่เคยรักใคร มีหนุ่มหลายคนในหมู่บ้านมาติดพันเกี่ยวข้องแต่ชาลินีไม่เคยให้ความหวังแก่ใครเลยถึงกระนั้นก็ยังมีชายที่หวังเธออยู่แวะเวียนมาเกี่ยวข้องอยู่เสมอนำของมาให้มาถามว่ามีธุระอะไรที่จะให้ช่วยเหลือแต่ชาลินีได้บอกขอบใจเขาเป็นเครื่องตอบแทนอธัธยาศัยไมยตรี ถ้าจะมีข้อเสียหายอยู่บ้างสําหรับชาลินีก็คือการแสดงว่าตนรู้อะไรอะไรมากเกินไปและพูดทุกอย่างที่ตัวรู้ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ไม่ค่อยมีเสน่ห์นักสําหรับสตรีพวกผู้ชายเขาไม่อยากให้ผู้หญิงรู้อะไรมากเกินไปถ้าความรู้นั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่สตรีควรจะรู้แต่ชาลินีก็มีคุณลักษณะเด่นอื่นๆอีกหลายอย่าง ที่ช่วยให้เธอมองดูเป็นคนน่าคบน่าสมาคมรูปร่างโปร่งงามรอยยิ้มที่แสดงความสุจริตใจความรักเพื่อนและความรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์การมีทีท่าวกกล้าผจญภัยในชีวิตแล้วนี้ล้วนเป็นลักษณะดีส่วนชโลธรานั้นมีใบหน้าอ่อนท่าทางไม่ประสีประสาตต่อโลกซื่อกับทุกคน มองคนในแง่ดีแล้วไว้วางใจมีความอ่อนหวานในวาจาและอ่อนโยนในมารยาทอยู่ทุกอิริยาบถเกรงใจผู้อื่นจะพูดจัจจาก็เต็มไปด้วยความระมัดระวังมีความฉลาดอ่านกิริยาอาการของคนออกแต่ไม่ค่อยพูดถ้าสำเนียงและภาษาไพเราะจับใจมีความอดทนไม่ปริปากบน่นถึงความลำบากคับแค้น ไม่เคยแสดงกิริยาฉุนเฉียวกเกลี้ยกลาดให้ใครเห็นชอบช่วยเหลือการงานของผู้อื่นเมื่อเทียบกับสตรีชาวพรตะชะโลทราก็มีรูปร่างค่อนข้างท้วมผิวขาวและเอียดอ่อนลักษณะท่าทางเรียบร้อยมองดูไม่ขัดตาจะเดินจะเหินแม้จะแ ช, ช้าก็มีความกระปรี้กระปร่าอยู่ด้วยอย่างประหลาดถ้าเดินสง่า ง, งามชวนพิ จริตมาญญาอันใดที่สตรีชอบธรรมสิ่งนั้นไม่มีในตัวชโลธรารวมความว่าชโลทารามีคุณสมบัติแห่งกลสตรีอยู่เรียบพร้อมชาลณีเป็นที่ต้องตาถูกใจของสีครินเป็นนักหนาพอๆกับอโศกนิยมชมชื่นต่อชโลธราเป็นอย่างมากฝ่ายสตรีทั้งสองดูเหมือนจะมีความโน้มเอียงมาทางอาโศกมากอยู่ ส่วนศรีครินเธอทั้งสองก็ชอบในฐานนะเป็นคนที่พูดสนุกและเปิดเผยถ้าความสุขของคนที่ชอบพอกันอยู่ที่การได้พบได้สนทนากันแล้วอโศกศรีคารินและชาลินีชโลธราก็ค่อนข้างจะหาความสุขได้น้อยเพราะที่พักพิงอยู่ห่างไกลกันมากนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งชโลธราอยู่ในภาวะที่ต้องรอบพบ เสทุกครั้งไปบางคราวก็ไปสนทนากันที่บ้านของชาลินีต้องเล็ดรอดไปในเวลาที่บิดาของเธอไม่อยู่และต้องระวังไม่ให้บิดาของเธอทราบตามทัศนะของบิดาเธอชโลทารามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือเฝ้าบ้านบิดาของชโลทาราไม่เคยสนใจว่าบุตรตนจะมีความต้องการอะไรบ้างเขามุ่งมั่นแต่จะให้ชาโลทาราทราบ และปฏิบัติในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นชโลทาราก็พยายามเพื่อปฏิบัติให้ถูกความประสงค์ของบิดดาพยายามเพื่อให้ครบถ้วนทุกประการแต่ก็มีบางครั้งที่เลือดเนื้อและหัวใจสาวเรียกร้องต้องการให้เธอทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวของเธอเองบ้างยิ่งเพื่อนสนิทของเธอคือชาลินีมีอิสระทุกอย่างให้เธอได้เห็นอยู่ด้วยแล้ว เมื่อนำมาเปรียบกันกับตนชะโลทาราก็ยิ่งมองเห็นตนเหมือนนกน้อยในกรงขังมากขึ้นมีบ่อยครั้งที่บิดาของเธอไปค้างคืนในป่าลึกเพื่อยิงกวางทิ้งให้ชโลทาราอยู่บ้านอันเดียวโดดนั้นเธอจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเดียวดายว้าเหวละหวาดวันสุดจะประมาณเธอรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งให้อ้างวางอยู่ในโลกคนเดียวโลกของเธอ โลกซึ่งมีแต่หมู่พฤกษาละดาวันเสียงนกร้องและทานน้ำไหลเป็นเพื่อนเมื่ อ, อยามข้ามสนธยาท้องฟ้าด้านตะวันตกสีแดงฉานเธอจะได้ยินเสียงชนีเรียกฐานร้องก้องกังวานปรายจักจันทร์เลรกรีดร้องระ ง, งมดงหมู่ปักสินบอยบินสู่รวงรังเป็นโมโมชโลทาราคิดถึงตนจะเรียกร้องหาใคร เธอมีแต่สัตว์ป่าและธรรมชาติเป็นเพื่อนมียามดึกได้ยินเสียงน้าค้างตกน้าตาเธอก็ตกตามขณะนั้นเองที่เธอต้องคิดถึงมารดาเป็นที่สุดทั้งๆ ท, ที่เธอเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยสักครั้งเดียวเธอไม่เคยได้สัมผัสกับความอบอุ่นแห่งความรักระหว่างแม่และลูกบิดาไม่เคยเล่าเรื่องเบื้องหลังให้เธอทราบเลย เธอทราบว่าเด็กทุกคนเกิดมาต้องมีแม่แต่แม่ของเธออยู่ที่ไหนแม่ของเธอคือใครเธออยากมีแม่ไม่ว่าแม่จะเป็นคนยากไร้หรือรูปร่างอัปลักษณ์สักปานใดแต่ขอให้เป็นแม่ของเธอเท่านั้น เรื่องเหล่านี้อโศกทราบจากชาลินีและทําให้เขาสงสารจโลทราอย่างจับจิตอโศกยังยาวเกินไปอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ว่าความสงสารเป็นทัพหน้าของความรักสำหรับชายพอๆกับความละอายเป็นเบื้องต้นแห่งความรักของหญิงและความรักที่เริ่มต้นจากความสงสารนั้นยากนักที่จะสลัดได้เหมือนความตายซึ่งเริ่ม ป่วยและชรายากนักที่จะเยียวยาให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมอาโศกรู้สึกมีความสุขและสดชื่นเมื่ออยู่ใกล้ชโลทาราสมกับที่ท่านกล่าวว่าสตรีลำเพลพักและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมย่อมอำนวยความสุขแก่บุรุษได้เสมอประดุดนั่งพักร้อนใต้ต้นไทรดังนั้น วันหนึ่งเมื่อมีโอกาสได้พบกันอโศกจึงพูดว่าชโลทราข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขเมื่ออยู่ใกล้ท่านได้สนทนากับท่านและแม้เพียงได้เห็นท่านเมื่อได้ยินคำนี้ชโลทรามีท่าทางเอียงอายเล็กน้อยพรอมได้พูดว่าเมื่ออยู่ใกล้คนอื่นๆท่านไม่มีความสุขหรือมีเหมือนกันอโศกตอบ แต่ไม่เหมือนอยู่ใกล้ท่านข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่าได้ทำอะไรอันที่ท่านมีความสุขเชโลทราพูดท่านไม่ต้องทำอะไรก็ได้เพียงแต่นั่งเฉยๆข้าพเจ้านั่งมองดูท่านก็มีความสุขมากพอแล้วข้าพเจ้าเป็นคนชอบดวงจันทร์ก่อนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขสดชื่นเมื่อได้ดูดวงจันทร์แต่มาบัดนี้ ดวงจันทร์กลับเป็นสิ่งไร้ความหมายเมื่อนำมาเทียบความสุขที่ข้าพเจ้าได้รับเมื่ออยู่ใกล้ท่านได้มองดูท่านเพียงนั้นเทียวรื้ชโลธรา ถ, ถามความจริงมากกว่านั้นอโศกตอบแต่ที่พูดออกมานี้ยังไม่ถึงครึ่งแห่งความรู้สึกในใจของข้าพเจ้าท่านคงรู้สึกไปเองข้าพเจ้าคงไม่มีส่วนอะไรเป็นเรื่องที่เห็นยาก อโศกอธิบายอธิบายยากมีแต่ความรู้สึกชายที่อยู่ใกล้หญิงซึ่งมีความสวยเสมอกันแต่อาจจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันข้าพเจ้าไม่ทราบจะอธิบายให้ท่านได้เห็นอย่างไรจะพูดได้ก็แต่เพียงอุปมาเปรียบเหมือนข้าพเจ้าไปเยือนอยู่ในที่สองแพร่งถ้าจะพูดได้ก็แต่เพียงอุปมาเปรียบเหมือนข้าพเจ้าไปยือนอยู่ที่สองแห่ง ซึ่งมีภูมิประเทศคล้ายกันแต่ทำไมข้าพเจ้าจึงทราบว่าแห่งหนึ่งอากาศดีอีกแห่งหนึ่งอากาศไม่ดีอากาศเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าดีหรือไม่ดีให้ความสดชื่นหรือให้ความอึดอัดอย่างท่านนี้อโศก พ, พูดถ้าเปรียบด้วยอากาศก็เป็นอากาศที่ดีมาก ซึ่งแผ่กระจายอยู่ในภูมิประเทศอันสวยงามจึงเป็นเครื่องจูงใจให้ข้าพเจ้าอย่างล้นพ้นดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูโปรยลงมาด้วยแรงลมเกษาสีดำของชโลธราปลิวในน้อ ย, อยบางครั้งเมื่อลมพัดรวบเอาเกษาไปรวมไว้ข้างหนึ่งซึ่งเผยให้เห็นต้นคออันขาวผ่องขอ ง, ของเธองามเกินเปรียบอโศเก็บดอกเฟื่องฟ้าสองดอก ส่งให้เชโลทราหนึ่งดอกส่วนอีกดอกหนึ่งเขาชูขึ้นสู่เบื้องหน้าของหญิงสาวเหมือนจะนำไปทาบกับริมฝีปากของเธอครู่หนึ่งจึงกล่าวว่าเฟื่องฟ้าดอกนี้งามมากทรงสวยสีสดไม่มีรอยช้ำเลยแต่เมื่อเทียบกับริมฝีปากของท่านแล้วมันด้อยความงามและความสดลงไปมาก โลธรายิ้มนิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆแล้วเอียงหน้าไปเสียทางด้านอื่นไม่มีคำพูดไม่มีอะไรดอกเฟื่องฟ้าหล่นลงมาอีกโปรยลงมาบนศีรษะของเธอหลายดอกอโศกอยากจะเอื้อมหัดไปหยิบแต่ไม่กล้าหญิงสาวนั่งเฉยอโศกรู้สึกกรวนกระวายใจด้วยเข้าใจว่าคำพูดตัวอาจจะทำให้หญิงสาวไม่พอใจจึงกล่าวขึ้นอีกว่า หากคำกล่าวของข้าพเจ้าสักครู่นี้ไม่เป็นที่พอใจของท่านข้าพเจ้าขออภัยด้วยท่านมีอาการเหมือนโกรธข้าพเจ้าไม่ดอกชโลธราพูดท่านคิดว่าจะมีสตรีใดหรือที่จะโกรธหรือเกลียดชายที่ชมตัวแต่ที่ข้าพเจ้านิ่งไปสักครู่นี้ก็เพราะมา น, นึกขวยใจว่าคำชมของท่านนั้นเกินความจริงหลือ ที่ข้าพเจ้าจะรับได้จึงอยากจะปล่อยคำของท่านผ่านไปพร้อมๆกับกระแสลมที่พัดผ่านมาเสียก่อนแล้วจึงจะสนทนาด้วยท่านต่ออโศกได้ยินคำนี้จากนางแล้วรำพึงแต่ในใจว่าสตรีผู้นี้สงเง่ยมเจียมตัวมีอาการเหมือนไม่ประสีประสาต่อโลกแต่มองดูเพียงผิวเผินเท่านั้น แต่เมื่อใกล้ชิดจึงรู้ว่านางมีความฉลาดคมคายเป็นแต่เพียงไม่พูดจาในสิ่งที่ตัวรู้เพื่อจะได้ให้นางแน่ใจอโศกจึงกล่าวว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดนั้นข้าพเจ้ายืนยันว่าเป็นความจริงถ้าท่านจะไม่เชื่อก็ควรจะเชื่อตรงที่คำพูดของข้าพเจ้ายังจริงน้อยกว่าความรู้สึกที่ข้าพเจ้าเสียอีก คำพูดไม่อาจระบายความจริงที่มีอยู่ในใจของข้าพเจ้าได้ถ้าข้าพเจ้ารักท่านแม้จะรักมากเพียงใดข้าพเจ้าก็ไม่อาจพูดให้หมดสิ้นเท่าที่หัวใจรักชโลธรานิ่งอยู่ครู่หนึ่งเธอมองเหม่อไปเบื้องหน้าสายตาจับนิ่งอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่ง แล้วจึงกล่าวว่าความรักของชายนั้นดูยากเพราะชายมักจะรักน้อยแต่พูดว่ารักมากแต่เมื่อรักมากจะพูดว่ารักน้อยนั้นไม่เคยมีขขาพเจ้าขอคืนคำชมและคำเปรียบเทียบของท่านคืนให้ท่านรับไว้ก่อนเมื่อใดท่านแน่ใจว่าท่านมิได้หลอกหลอนตัวเองแล้วจึงค่อยขยายความจริงแกข่ขขาพเจ้า ว่าแล้วสาวน้อยก็ลุกขึ้นอโศกก็ลุกขึ้นตามเธอเดินไปชมกุหลาบงามดอกใหญ่สีชมพูส่งกลิ่นหอมระรื่นเธอช้อนดอกเบาๆและก้มลงสูดกลิ่นอันหอมเย็นของมันอโศกยืนกอดอกดูกิริยาเธอด้วยความชื่นชมข้าพเจ้าอยากจะเป็นกุหลาบดอกนี้เหลือเกินอโศกพูดยิ้มละไม ทำไมจึงอยากเป็นกุหลาบชโลทาราถามสายตายังจับอยู่ที่กุหลาบงามดอกนั้นเพื่อท่านจะได้ช้อนขึ้นสูดดมจะเป็นความชื่นใจของข้าพเจ้าไปตลอดชีวิตถ้าท่านเป็นดอกกุหลาบเชโลทาราพูดยิ้มยิ้มข้าพเจ้าจะจับแรงแรงแล้วขอยงทิ้งจะไม่ถนอมเหมือนกุหลาบดอกนี้ถ้าอย่างนั้น ข้าพเจ้าจะขย้ำกุหลาบดอกนี้เสียเลยพร้อมกับปากว่ามือก็ถึงอโศกยื่นมือไปหา ก, ก้านกุหลาบชโลทราตกใจมากจึงรีบปัดมือของอโศกออกมือเขากระทบน้ํากุหลาบอย่างแรงเลือดซึมออกจากหลังมือแต่ก้านกุหลาบหักไปแล้วเขาจึงนำดอกมาแนบไว้กับอกตัวโดยไม่ได้พวงถึงเลือดที่ไหลซึม ก้มลงสูดกลิ่นกุหลาบด้วยอาการถนอมเป็นความชื่นใจมิใช่น้อยที่ได้สูดดมกลิ่นกุหลาบดอกเดียวกันกับหญิงสาวได้สูดมาใหม่ๆไม่น่าเลยเล่นกับกุหลาบเล่นกับมันอย่างไม่ระมัดระวังน้ำก็ตามมือเอาชโลทราพูดมองอโศกได้สายตาแกมขบขันแกมสงสารไม่มีกุหลาบดอกไหนที่ไม่มีน้ํา อโศกพูดข้าพเจ้ายินดีให้น้ํากุหลาบตามทุกวันถ้ามันเกิดขึ้นเพราะแรงมือปัดของท่านและถ้าอยากให้กุหลาบงามก็ต้องไม่กังวลน้าตํามืออย่าพูดอะไรมากเลยเลือดกําลังไหลซึมท่านคอยก่อนข้าพเจ้าจะแปวผ้ามาเช็ดเลือดให้และเชะโลทาราก็หันหลังวิ่งขึ้นเรือนอโศกมองตามซ่อนยิ้มไว้ในหน้า ครู่หนึ่งผ่านไปโลทรานำผ้าขาวเนื้อละเอียดสีสะอาดติดมือออกมาชิ้นหนึ่งเธอส่งให้อโศกแต่อโศกไม่รับเขากลับส่งมือให้หญิงสาวเธอยืนนิ่งมองดูอโศกด้วยความพิศวงระคนขวยในที่สุดก็ตัดสินใจจับปลายนิ้วชายหนุ่มด้วยมือข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งก็เช็ดเลือดที่กำลังไหลซึมอยู่ปากก็พูดว่าข้าพเจ้าขอทำให้ท่านนี้ก็เพราะท่านเป็นอคันตุกะอย่าได้คิดเป็นเรื่องอื่นเมื่อเธอทำจนจะเสร็จนั่นเองโดยไม่ได้คาดหมายอาโศกรีบจับมือข้างขวาของเธอรวบไว้ก้มลงจุมพิษเบาๆนางสลัดมืออย่างแรงแล้วออกไปยืนห่าง ด้วยกิยริยางอนและพูดว่าทำไมทำอย่างนี้ละ่ะและจะให้ทำอย่างไรอโศกถามเมื่อหญิงสาวไม่ตอบก็จึงกล่าวสืบไปว่าขออภัยด้วยข้าพเจ้าเผลอไปความงามความเอื้ออารีและความหอมแห่งกลิ่นเนื้อของท่านทำให้ข้าพเจ้าลืมตัวไปจึงกระทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำ ข้าพเจ้าขออภัยท่านด้วยผู้ชายก็ดีแต่ล่วงเกินเขาแล้วขอโทษขออภัยทำไมจึงไม่ทำอย่างที่ไม่ต้องขอโทษขออภัยทีหลังว่าเท่านั้นและชโลทราก็เดินขึ้นเรือนโดยไม่ได้กังวลว่าอาโศกจะอยู่หรือจะกลับอโศกเห็นว่าอยู่ต่อไปก็จะรังแตกรวจสาวน้อยที่เขารักจึงตัดสินใจกลับสู่สานักตากศิลา เมื่อเวลาเย็ยนมากแล้วฝ่ายชโลทราเมื่ออโศกกลับแล้วเธอก็มีแต่ความคิดอันสับสนวุ่นวายอยากจะโ ก, ก, กรธจะเกลียดชายคนนี้แต่ก็มีอะไรบางอย่างในตัวเขาทําให้เธอโกรธและเกลียดไม่ลงอันหนึ่งเล่า สาวน้อยผู้ไม่เคยแก่มือชายเมื่อมาถูกสัมผัสในแง่สเสน่หาก็รู้สึกปั่นป่วนใจไม่รู้แล้วเพียงคําพูดอันอ่อนหวานในเชิงชูสาวของเขาซึ่งเธอมีใจนิยมในบุคลิกลักษณะอยู่ก็ทําให้เธอวาบหวามจิตไม่ใช่น้อยเมื่อมาถูกสัมผัสอีกเล่าเธอจึงมีความรู้สึกที่บอกตัวเองไม่ได้ว่าเป็นอย่างไร มันเหมือนปลูกความรู้สึกบางอย่างซึ่งมีอยู่ตามกฎธรรมชาติให้ตื่นตัวความรู้สึกตามกฎธรรมชาติซึ่งแผ่กระจายขยายตัวครอบคุมมนุษย์ทุกรูปทุกนามอยู่มันกำลังจะแผ่เข้ามาในวงชีวิตของสาวน้อยบ้านป่าด้วยเหมือนกันเธอช่างน่ารักน่าถนอมอะไรเช่นนั้นเขายอมสารภาพกับตัวเองว่าเขารักชโลธราเสียแล้ว ชโลทาราหญิงสาวซึ่งเขาไม่เคยเห็นบิดาหรือมารดาของเธอเลยก็จะประหลาดอะไรเล่าในเมื่อชโลทาราเองก็ไม่เคยเห็นมารดาบิดาหรือวงญาติของเขาเช่นเดียวกันเธอเพียงแต่ทราบว่าเขาเป็นเด็กนมจากนครปาตาลีบุตรเท่านั้นยังไว้ใจและให้ความสนิทสนมกับเขาถึงปานนี้มีอะไรอีกไหมในโลก ที่มีอำนาจยั่วยวนใจให้หลงไหลไฝ่ปองเร่งเร้าให้จิตใจระลึกถึงด้วยความกังวลยิ่งไปกว่าความรักในความรักมีบรรยากาศที่ประหลาดที่สุดบรรยากาศแห่งความรักมีทั้งความอบอุ่นเล่าร้อนและหนาวเหน็บมีทั้งความสุขความเศร้ารคนกันมีทั้งความดีใจน้อยใจและเสียใจมันเป็นทั้งยาบำรุงและยาพิษ อะไรเล่าจะเป็นเครื่องเชื่อมโยงบุคคลทั้งสองให้ไปมาหากันโดยไม่เบื่อน่ายยิ่งไปกว่าความรักความรักเป็นสะพานทอดให้ดวงใจสองดวงกระโดดโลดเต้นเข้าหากันและเมื่อชักสะพานนี้ออกเสียแล้วการติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลก็เป็นเพียงหน้าที่หรือเพราะผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้นแต่เมื่อมีความรักผู้ที่ตกอยู่ในห้วงรักนั่นเอง จะยอมเสียสละผลประโยชน์แห่งตนเพื่อคนที่ตนรักเมื่ออยู่ใกล้คนที่ตนรักทำให้ลืมลืมโลกลืมชีวิตลืมความสมหวังผิดหวังในเรื่องอื่นๆเสียสิ้นลืมแม้กระทั่งตัวเองใครจะเกลียดหรือชังก็ตามเถิดแต่ความรักยังมีอนุภาพมีอำนาจคลองความเป็นใหญ่แต่ผู้เดียวในโลก เป็นเวลานา น, านมาแล้วกำลังเป็นอยู่และจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าใดเหลือที่จะคาดหมายได้แม้ความรักจะไม่มีตัวตนมองเห็นไม่ได้แต่มันมีอำนาจบัญชาการมีสิทธินั่งอยู่บนหัวใจของปุถุชนทั้งหลายบัญชาการให้ทุกอย่างเท่าที่มนุษย์ยอมมอบอำนาจให้มันโดยเฉพาะความรักที่มีความใคร่ สนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยแล้วจะใช้อำนาจอย่างไม่ยำเกรงใครเสียเลยต่อเมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่จะทราบว่าตนควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรควรจะปฏิบัติต่อความรักอย่างไรนั้นได้ถูกความรักย่ำยีเสียจนเกือบจะหาตัวไม่พบเสียแล้ว